สำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับชีวิตจิตใจของพวกเราที่พวกเราจะนึกถึงการปฏิบัติในสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งคือให้พวกเรานึกถึงสมบัติของเรา สมบัติของเราในที่นี้เป็นสมบัติภายในได้แก่รูปสมบัติของพวกเราและมโนสมบัติของพวกเรา <c oughs> เพอสมบัติภายในส่วนนี้ที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายตามสมมุตินิยมของโลก พระพุทธเจ้าโดยสัญญาเสิญว่าจิตโฉมุสสะปฏิลาโภได้สมบัติส่วนนี้ขึ้นมาเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามเพศหญิงเพศชายเมื่อความสมบูรณ์สมบัติส่วนนี้ปรากฏให้เห็นชัดแจ่ตัวเองเิ่นนี้พระพุทธเจ้าพรงสอนว่าให้พากันโูมใจ เพราะมันเป็นลาบอย่างเปิดที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นเพศหญิงเพศชายที่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ความดีที่ปรากฏในสมบัติปัจจุบันเป็นเครื่องชี้แจงแดงออกบอกลักษณะความดีที่พวกเราได้สั่งสมบุรณ มาตั้งแต่อดีตชาติบุญกุศลที่สิบตนตามตัวได้มาปรากฏเป็นรูปสมบัติทีื่อให้เห็นเด่นชัดอยู่อย่างนี้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจพวกเราว่าอันนี้เองคือผลคุณงามความดีบุญกุศลบาละมีที่พวกเราสร้างสมอบรมมา พร้อมให้มีสถาความเชื่อมัน่นสมบัติส่วนนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเหตุอื่นเหตุใดเกิดขึ้นเพราะบุญคุณผลแท้ๆเกิดขึ้นเพราะผลศิลผลทานผลภาวนาที่พวกเราได้อุตส่าห์เสียสละ <c oughs> มำเพ็ญเพื่อปฏิบัติได้ผ่านพ้นจากภัยอันตรายวกชาติ เกิดข so so so so ึ้นมาที่พวกเราไม่ต้องการพกชาติเกิดขึ้นมาที่พวกเราไม่ต้องการที่มองเห็นได้ชัดอยู่เป็นมนุษย์ก็ดีหรือเป็นจัตเดริญฉานก็ดีเกิดขึ้นมามีรูปมีร่างที่ไม่น่าปลาถนาเกิดขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชาย ก็ดูเป็นไรมีดาดเดินทั่วโลกสมบัติไม่สมประกอบสมบัติไม่สมบูร ล, ลูกสมบัติก็ดีวัชีสมบัติก็ดีมโนสมบัติก็ดีมันไม่เป็นไปเพื่อสมบัติมันเป็นไปเพื่อวิบัติ ยังรูปวิบัติพวกเราก็เห็นไม่ใช่หรือวิจีวิบัติเห็นไม่ใช่หรือมโนวิบัติเห็นไม่ใช่หรือก็บ้าวิบัติมันเป็นของที่ไม่ดีเป็นของที่ไม่น่าปรารถนาอันนี้เป็นส่วนที่ผลเกิดจากความไม่เชื่อในบุญในกุศล ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเตือนให้พวกเรารู้ว่าสมบัติที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เรียกว่าจิตโฉมุนุษาสัปฏิลา ภ, า ภ, า ภ, า ภ, าภาเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐเกิดขึ้นมามีรูปอย่างนี้มีวาจาอย่างนี้มีจิตใจอย่างนี้ เมื่อพวกเราเนึกถึงสมบัติล้ำค่าอย่างนี้พกชาติที่เกิดขึ้นมาสมบูรณ์อย่างนี้จึงเป็นเหตุอันหนึ่ง <c oughs> ที่พวกเราจะนึก ว, ว่าสมบัติส่วนนี้ไม่ควรจะปล่อยไม่ควรจะทิ้งให้หมดการหมดเวลาให้เสียการเสียเวลาไปเปล่า โดยเฉพาะแล้วปัจจุบันลูปสมบัติก็ดีมโนสมบัติอันนี้ก็ดีควรนึกถึงคุณภาพควรนึกถึงความดีคุณภาพของลูกสมบัติความดีของลูปสมบัติถึง ว่าพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลติดตนตามตัวนำมาเกิดก็ต่างพระพุทธเจ้าเ ม, มื่อหาไดิเมามัวประบาทลืมหลงในความเป็นจริงในรูปสมบัติ พอตามควรเป็นจริงในรูปสมบัติที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในลักษณะความไม่เที่ยงอยู่ในลักษณะความเป็นทุกข์อยู่ในลักษณะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนี้สภาพความเป็นจริงในรูปสมบัติรูปสมบัติส่วนนี้อยู่ในลักษณะอนิจจงทุกขังอนัตตาอย่างนี้ ถ้าพวกเราไม่ศึกษาแนวทางความเป็นจริงและรู้ต่างความเป็นจริงแล้วหลงลืมเมามัวประมาทได้และภะาพความเป็นจริงถ้าอยู่ในฐานะความไม่เที่ยงอยู่ในฐานะความเป็นทุกอยู่ในฐานะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรียกว่าคุณหน้าภาพลูกสมบัติเป็นสิ่งที่ไม่ น, น่าไว้ใจ ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตามลักษณะที่มันเป็นจริงอย่างนั้นสิ่งที่บ่งบอกเห็นได้ชัดความไม่เที่ยง <c oughs> ในรูปสมบัติที่พวกเราพอจะอยู่ได้รับความผาสุกแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปี พวกเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาศัยอะไรเป็นเครื่องบําบัดอยู่ความจริงว่าอาศัยในปัจจัยทั้งสี่นั่นเองเป็นเครื่องบําบัดอยู่เป็นเครื่องบรรเทาไว้อยู่พอมึเรื่องเกิดความไม่เที่ยงขึ้นมานะั้นมันก็แดงถึงว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์จนแทบจะอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้นั่นแหละ ถ้าไม่มีปัจจัยเคร่องอาศัยเป็นเครื่องบำบัดปัดเป่าความไม่เที่ยงเกิดความเหนือ่อยความเมื่อยความหิวความกรหายขึ้นมานั้นก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วแสดงความเป็นทุกข์ทั้งแสดงในสิ่งนี้บอกว่าอันนี้ฉันไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ตนตเราจึงจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่เป็นคร่องบำบัดปัดเป่าเอาไว้ให้อยู่ผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีไปถึงการถึงเวลาของเขาเท่านั้น เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้จะแสดงว่าคุณนาภาพส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจพระพุทธจ้าจึงตืนว่าปัจจุบันน่ะเหตุปัจจุบันนะ่ะผลปัจจุบันนะ่จจนนะธรรมพึ่งรู้เถิดควรมาศึกษาให้เกิดสติเกิดปัญญา รู้เท่าตามสภาพความเป็นจริงส่วนนี้ว่าเป็นของที่ไม่น่าไว้ใจเพราะอาการอาริยบทที่พวกเราอยู่แต่ละวันแต่ละเวลาถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วอริยบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเรานอนอยู่กับความไม่เที่ยงเรานั่งอยู่กับความไม่เที่ยง เราเดินโยนอยู่กับความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมีอยู่ที่ใดเป็นย่อมเกิดความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยจิตด้วยปัญญาอย่างนี้ก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าไอ้สิ่งที่เราอาศัยความไม่เที่ยงอยู่ตามอาริยบทนี้มันก็เท่ากับ ว, ว่าเรานั่งอยู่กับความเป็นทุกข์นั่นเอง เรานอนอยู่กับความเป็นทุกข์นั่นเองยืนเดินอยู่กับความเป็นทุกข์อยู่จิ้อยู่กับความเป็นทุกข์นี่แต่ภาพความเป็นจริงคุณภาพของธาตุของขันอยอรูปสมบัติเราศึกษาเราพิจค้ณาด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบเพื่อจะไม่ให้พวกเราลุ่มหลงมัวเมาประมาทดารูปอันนี้คือรูปของเราตัวอันนี้คือตัวของเรา ก็จิงอยู่โลกเขาสมมุติจะยกให้เขาเราศึกษาเรื่องของโลกก็ต้องสิ่งที่นาตะนุตน้อมกวาเจียงเพราะสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาอันดันเรื่องสมมุติของโลกทีนี้เรามาศึกษาทางธรรมเพื่อแก้ความสมมุติ ว่าทางธรรมท่านสอนอย่างไรโลกสมมติเขาว่ากันอย่างไรเรามาศึกษาทางธรรมเพื่อช่อคว่มหลงเพราะสินธรรมคำสอนขององค์ศาตะดาคำว่าศาสตดาก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนศาสต์โลกให้ออกจากว่มหลงนั่นเองเมื่อขมหลงอยู่ตรงใดจุดใดตรงนั้นจุดนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่รวบรวมมาไว้ซึ่งความทุกข์หลงในรูปมันก็นรูปในแสดงความทุกข์ขึ้นมาหลงในจิตก็จิตที่แสดงความทุกข์ขึ้นมาด้วยเฉพาะก็เรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่รวมเป็นสิ่งที่สะสมมาไว้ซึ่งความทุกข์ถ้าเกิดความหลงขึ้นมาใจดวงเดียวขึ้นด้วย ถ้าใจหลายดวงใจดวงนี้เป็นทุกข์ไปใส่ใจดวงอื่นเพื่อหาความสุขจากใจดวงอื่ น, นปัดเปลี่ยนกันได้เหมือนอย่างวัตถุเข้าของเครื่องใช้เครื่องต่อของเรามันก็ยังชั่วอันนี้ลูกก็ลูกตัวตัวของเราก็ตัวคนเดียวลูกตัวของเราก็ลูกอันเดียวคเจ้าไปใจอันเดียวเมื่อแสดงความไม่เที่ยงกัแสดงความเป็นทุกข์ขึ้นในลูกของเราคนเดียว ไม่เหมือนวัตถุอันอื่นเปลี่ยนแปลงได้เหมือนวัตถุอันอื่นการศึกษาการพิจารณาตามหลักความเป็นจริงอย่างนี้แสดงว่าเรามานำความคิดด้วยสติด้วยปัญญาของเราดึงสัดทาออกหรือว่ายกสัดทาขึ้น ให้มีความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาที่เราได้ยินได้ฟังไอก้กลักวที่จะ <c oughs> มีปทาความเชื่อได้แต่และสิ่งแต่ละอย่างมันไม่ใช่ของง่ายเพราะสิ่งที่จะทำลายศรัทธาของเรานี่มนมีเต็มหัวใจอยู่อันนั้นท่านเรียกว่ากิเลสตัณหา คำว่าจินตัญหาก็คือลักษณะมีความโลภความโกรธความหลงลาะตัณหาโดยเฉพาะความหลงนั่นเองตัวความหลงอยู่ในจิตในใจอยู่ที่ดาวจิตใจอยู่ที่ใดมันก็สร้างความให้เห็นผิดอยู่ตลอดเวลาอยู่กระบะถ้าอาศัยความหลงมันก็สร้างให้จิตใจของเรามีความเห็นผิดอยู่ก่กระนั่นแหละ อยู่ในบ้านในตลาดถ้าอาศัยความหลงเป็นสื่อนำเลี้ยงมาสร้างจิตใจเกิดความหลงอยู่ในบ้านในตลาดเล่ทุกผนทุกแห่งเนี่ยแนะฉะนั้นความหลงอนุภาพแห่งความหลงนะอยู่ที่ใดก็ตามซึ่งมันอยู่ในดวงจิตดวงใจจิตใจพาลูกพาล่างไปที่ใดเอก็ตามแห่งผลตําบลใดก็ตาม มันพอยามสร้างความหลงได้ทุกโอกาสทุกเวลาดังนั้นพวกเราควรจะตื่นแล้วควรจะกลัวอนุภาพแห่งความโลภความโกรธความหลงเรียกว่ากิเลสตัณหาและในขณนะเดียวกันโอกาสใดเวลาใดที่พวกเราที่จะได้ศึกษาหลักธรรมะคำสอนเพื่อแก้ความหลงเราควรภูมิใจตามโอกาสตามเวลานั้นๆว่า เรามีโอกาสพร้อมที่จะศึกษาธรรมะเพื่อแก้ความหลงฉะนั้นเราควรภูมิใจเราควรดีใจ <c oughs> เพราขึ้นชื่อว่าความหลงความทุกข์แล้วเราไม่ต้องการเพราะตัวนี้มีในจิตใจร่างกายของเราแล้วมันทำให้คุณภาพส่วนสมบัติอันนี้เื่อมเสีย ฉะนั้นก่อนที่จัวส่วนเสียแห่งคุณภาพงร่างกายที่เต็มไ ด, ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอ <c oughs> ควรจะนึกถึงสมบัติภายในของมโนสมบัติมโนสมบัติดวงจิตดวงเจอของเราเป็นสมบัติล้ำค่าหาค่าหาราคาอันอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้ พอจิตใจของเรามันอยู่ในฐานะแห่งความไม่แจ่อยู่ในฐานะที่ไม่ตายไม่สลายไม่เหมือนรูปร่างกายและเป็นจุดเด่นและจุดรวมซึ่งความสุขและความทุก จุดเด่นของดวงจิตดวงใจที่พวกเรารู้กันอยู่เรารู้เพราะอำนาจของจิตหรือว่าอำนาจของใจโดยเฉพา ะ, ะคุณภาพของจิตใจมีลักษณะรู้อยู่ทุกการทุกเวลาถึงจะมีความทุกข์เขาก็รู้มีความสุขเขาก็รู้ทุกมากเขาก็รู้ทุกน้อยเขาก็รู้ มีความดีมากเขาก็รู้มีความดีน้อยเขาก็รู้สภาพของใจคือทรงไว้ซึ่งความรู้พร้อมที่จะเป็นสมบัติทรงไว้ซึ่งความเป็นด้วยความเป็นของจิตใจ <c oughs> ที่เป็นอยู่มีอยู่ขณะนี้พวกเราทุกท่านมีจิตมีใจสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แล้ว คำว่าจิตใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะรู้จิตตัวใจตัวเองว่าอยู่ในสภาพเช่นไรมีอะไรเป็นเครื่องปรากฏตามหลักคำสอนของพระองค์ที่พระองค์สอนว่าจิตใจท่าไม่ได้ชาระด้วยหลักข้อปฏิบัติสินสมาธิปัญญาและเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะ อันนี้มันจริงัหมถ้าเห็นเป็นจริงตามการสอนของพระพุทธเจ้าสมบัติส่วนนี้น่ะ <c oughs> มันอยู่ในฐานะที่จะพอยตกพอยตกต่ำอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจฝ่ายต่ำ ม, มันพาให้ต่ำ อำ น, นาจปลายตามมันคือราคาตานาโลพาโทศาสโมหะส่วนนี้มันต่ําทั้งต่ําทั้งหนักเลยทวงดึงมันดึงลงทวงลงถ้าปล่อยตามอำ น, นาจของราคาตานาโทศาสโมหะเจเลตานะส่วนนี้ซึ่งเป็นฝ่ายต่ําดึงลงทวงลง จึงจำเป็นอยู่เองพบภูมิที่เป็นไปเพื่อฝ่ายต่ํามันถึงมีเรียกว่าอบายะภูมินั่นเองเพราะอํนนานาจของกิเลสตัณหาโลภะโทสะโบหะนึงเป็นสื่อนำและเป็นเครื่องพ่วงลงให้ไปพบภูมิทางต่ำเพราะส่วนนี้มันต่ํามันหนักไม่เหมือน สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะสร้างความดีให้เกิดขึ้นฝ่ายความเจริญฮะเพ่เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งโลกนี้โลกหน้าสมบัติส่วนนี้สมบัติ สวรสมบัติก็าตามนิพพานสมบัติก็าตามต้องอาศัยกำลังทำให้เบาขึ้นจึงจะเป็นไปส่วนที่สูงได้มันแยกกันออกไม่เหมือนกำลังฝ่ายต่ำ ดังนั้นจิตใจของพวกเราที่ควรศึกษาที่ควรจะทำความ เ, เข้าใจว่าคุณาภาพของใจที่จะเป็นไปเพื่อสมบัติฝ่ายสูงมีสวรบั์สมบัติหรือนิพานสมบัติเราควรจะสร้างสมบัติอันนี้ด้วยข้อปฏิบัติเป็นสิ่งบำรงุง เหมือนยังอัตภาพร่างกายอาศัยปัจจัยสี่นั่นเองที่ปลาจะจากหลีกเว้นกันไม่ได้แต่ปัจจัยสี่อาศัยร่างกายร่างกายอาศัยปัจจัยสี่พ่วเป็นเครื่องบาบัดไปแต่ละวันแต่เวลาซึ่งเข้าพอจะอาศัยกันไดเท่านั้น แต่จิตใจของพวกเราถ้าอาศัยคุณภาพของศิลธรรมข้อปฏิบัติปีถึงสมาธิปัญญาเป็นต้นนั้นไม่เหมือนอาศัยปจัจจัยสี่มันต่างกัน ต่างกัรตรงนำจิตใจให้มีสรทาความเชื่อในข้อปฏิบัติจะปฏิบัติในศิลท่าเป็นศิลผู้มีการปฏิบัติ ด, ดีแล้วศินนะ่ะจะมีอำนาจมีอนุภาพคุ้มครองรักษาส่งเสริมให้จิตใจของเราพ้นจาก หานะแห่งความเป็นทุกข์ไปได้ที่เรียกว่าสีเลนะทุกะติงยันติผู้ใดปฏิบัติอยู่ในสินเป็นผู้มีความสมบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ในตามที่ขาบทต่างๆได้แล้วยีดย่อมมีความสุขด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติในสิน นอกจากด้านการปฏิบัติเพื่อสมาธิเป็นการส่งเสริมเป็นการยกฐานะจิตใจของเราให้เข้าสู่สมบัติที่สูงที่ดีที่มีความสุขที่พวกเราต้องการและปรารถนาได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะข้อปฏิบัติเมื่อมีสินแล้วก็มีสมาธิเป็นข้อปฏิบัติเมื่อมีสมาธิแล้วก็ควรใช้สิใช้ปัญญาเป็นข้อปฏิบัติอันดับกำลังทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นเครื่อง <c oughs> ทรงอนุภาพทำให้จิตใจของเราเบา ทำให้จิตใจงเราสบายทําให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยกําลังแห่งความุกเต็มไปด้วยกําลังแห่งความสบายถ้าจิตใจของเรามีความสบายและมีความุกเป็นพื้นฐานและเป็นกําลังเป็นเครื่องส่งเสริมความเป็นอยู่แต่และอริยบทการทำความภาคความเทียนอยู่แล้ว จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เองเป็นเครื่องธนุบำรุงจิตใจของเราจรึงว่ามันไม่เหมือนกับปัจจัยสีที่อาศัยร่างกายเพราะคุณค่าคุณสมบัติของข้อปฏิบัติในแนวทางถึงสมาธิปัญญาใครปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ ยิงจะอำนวยความสุกทางด้านจิตใจของเราได้มากเท่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเราควรศึกษาที่พวกเราควรทำความเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> จึงเป็นเหตุอันหนึ่งที่จะให้เตือนตัวติตัวเองว่าเราควรภูมิใจ ตามการตามเวลาตามการตามโอกาสที่เรามีความตึงใจความภูมิใจในโอกาสการเวลาของเราเนี่ยจะเป็นกําลังที่จะให้พวกเรามีการปฏิบัติตามอรียบทยืนเดินนั่งนอนให้นึกถึงศีลเป็นสิ่งที่ จะให้รู้เห็นได้ชัดว่าจิตใจของเรามีสินเป็นผู้มีความบริสุทธิ์จุลังสินอยู่ด้วยจิตใจของเราเป็นผู้มีความตั้งมั่นต่อการปฏิบัติอยู่ยซึ่งเป็นลักษณะของสมาธิการไข้ควรทางจิตทางปัญญาของเราแนะ่ เป็นไปเพื่ออยากจะออกกองคุกเอาศีลเป็นข้อปฏิบัติอยู่เลยเอาสมาธิเป็นเครื่องฝึกอยู่เลยแนวชิดที่พวกเราใช้พิจารณาอย่างนี้แหละ <c oughs> จึงว่าเป็นแนวชิดที่ตรงตามพระสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติเจียวสุปฏิปั น, นุโอสุปฏิปั น, นุญาญาปฏิปั น, นุ เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์พอสมบัติอันอื่นภายนอกพวกเราเคยมี <c oughs> ส่วนสมบัติที่เรียกว่าอริยสมบัติที่พระพุทธเจ้าได้เมตตาสงสาร ได้ประทานเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติทางจิตใจที่จะเป็นกำไรยกจิตใจของพวกเราให้พ้นจากทุกได้กับเพาะแนวทางข้อปฏิบัติคือถึงสมาธิปัญญานี่เองเป็นอริยทรัพย์อริยสมบัติเป็นสมบัติของจิตของใจแท้ ฉะนั้นการปฏิบัติของพวกเราถ้าเราไม่ใช้เตตไม่ใช้ปัญญาเห็นสมบัติอันล้ำคาดที่มีอยู่ประจำอยู่ทุกการทุกเวลาการเวลาที่พวกเราที่จะปฏิบัติ ก็เป็นไปเพื่อไม่ให้พวกเราได้มีกำลังการกระทําถ้าไม่เห็นสมบัติส่วนนี้อยู่ทุกการทุกเวลาโดยจฉพาะคือมโนสมบัติของเราเป็นจิตใจที่อยู่ในลักษณะเช่นไร สมบัติความดีเป็นที่พึงพอใจแล้วหรือย่างคือความสุขความสบายความพ้นทุกข์ความดีความสุขความสบายทางจิตใจพอใจหลือย่างภูมิใจหลือย่างเต้มใจหลือย่างที่เป็นอยู่เมื่อยู่ขณะนีน้แต่ความทุกข์ อันไหนมันมากกว่ากันถ้าเห็นสมบัติทางใจรู้เฉพาะตัวเองอยู่ว่าความสุขความสบายกับความทุกข์อันไหนมันมากกว่ากันถ้ามีความทุกข์มากก็ควรจะตื่นตนตื่นตัว หนีจากความทุกข์โดยเอาข้อปฏิบัติมาเป็นเครื่องฝึกข้อปฏิบัติลักษณะของศีลมาเป็นเครื่องฝึกข้อปฏิบัติลักษณะของสมาธิมาเป็นเครื่องฝึกหรือข้อปฏิบัติลักษณะของศีลมาเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจ รือเป็นที่อยู่ของใจเป็นที่พึ่งของใจอันนั้นคือเรามาทำใจข้างเราให้ตรงตามลักษณะของศินของธรรมศีนเป็นผู้มีความปกติศีนเป็นผู้มีความเรียบร้อย เป็นผู้มีความเยอือกความเย็นทางจิตทางใจนี่ลักษณะของสินเพระนั้นจิตใจของเรายังไม่เรียบร้อยจิตใจของเรายังไม่เย็นจิตใจของเรายังไม่ปกติเราควรจะมาทำจิตทาใจของเรา ให้ถูกต้องตรงข้อปฏิบัติในลักษณะของศีลเราฝึกเราปฏิบัติคือเอาปัจจุบันในขณะนี้เป็นเครื่องรู้ว่าใจข้งเรามีความปกติเป็นยังไง ร, รู้เห็นจิตใจข้งเรามีความปกติ มันเป็นยังไงทั้งนั้นจีนจิยาที่พวกเรามาน้อมจิตหรือว่าเรามาแต่งจิตเรามาฝึกจิตให้มันเป็นจึงจัดเรียกว่าปฏิบัติจิตใจของเราให้อยู่ในลักษณะของสิ่งลองแต่งดูี่ิ้องฝึกกันดูสิ พื้นฐานจิตใจของเราโดยศีลด้วยธรรมโดยคือถ้านึกถึงความปกติจิตใจยังไม่ได้นึกถึงความเรือบร้อยจิตใจยังไม่ได้คอ้สร้างความรู้สุขลักษณะความเป็นธรรมถ้าไม่เกิดขึ้นมีขึ้นเห็นอยู่ในจิตใจของเราว่า หายใจออกให้นึกถึงความสบายมาเป็นส่วนประกอบหายใจเข้าให้นึกถึงความสบายมาเป็นส่วนประกอบหรือให้เห็นความสบายเป็นที่อยู่ของจิตใจ ในลักษณะอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่เรามาฝึกใจของเราให้อยู่ในลักษณะของสินของธรรมกันนะเพราะจึงเรานี้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะการแต่งมักคือเครื่องแต่งเรามาแต่งจิตแต่งใจของเราให้อยู่ในลักษณะของสินของธรรมจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ ถ้าเราไม่ปึกเองถ้าเราไม่ทำเองเราไม่ปฏิบัติเองจิตใจของเราต้องก็เป็นไปตามเรื่องของกิเลสปัญหาอารมณ์สัญญาฟุ้งซ่านลำคาญอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราทำอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราแต่งเพราะจิเลสปัญหามันทำมันแต่งต่างหาก เราปล่อยจิตปล่อยใจให้กิเลสตัณหามันแตง่งมันทํทาทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการอยากให้กิเลสตัณหามันแตง่งมันทํามันก็แต่งมันก็ทํทททาตามธรรมชาติของเขาลักษณะอย่างนี้ก็ความหลมงของจิตใจปล่อยจิตปล่อยใจของตัวเองนะั่นน่ะให้เป็นให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งทั้งที่เราอยากจะให้เป็นเราเราอยากจะให้เป็นสิ้นเป็นธรรมนั่นแหละ การศึกษาเรื่องนี้การทำความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิง่งแล้วควรเยียบปลูกจิตปลูกใจของเราให้มีกำลังว่าเราเกิดขึ้นมาพบมีชาติตีเป็นคนทั้งคนดวงจิตดวงใจสมบูรณ ที่จะมาสร้างความรู้สึกว่าสมบัติอันนี้เราควรจะยกขึ้นมาเป็นสิ่งที่ควรสงวนและควรรักษาแล้วมองด้วยอำนาจของคุณน่รรำ ม, มีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประกอบว่ายิเลสในหัวใจตัวเอง มีความโลกความโกรธความหลงลาคา้าตัณหาอันนั้นเป็นพิษเป็นภัยเราควรปลุกจิตปลุกใจของเราต่อสู้และต่อต้านบังคับอย่าให้อำ น, นาจของลาคะโทสะโมหะมันกำาเริบเสริมสารขึ้น การสร้างความรู้สึกขึ้นกะตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเราปลุกจิตปลุกใจเราสร้างกําลังความดีเกิดขึ้นกําลังความดีส่วนนี้คือกําลังสติกําลังปัญญานั่นเองถ้าไม่แยกความรู้สึกออกมาพิจนารณาอย่างนี้จะไม่รู้ไม่เห็นว่าจิตใจของเรามันอยู่ในลักษณะอย่างไรกิเลปัญหามันเป็นเรื่องลักษณะอย่างไร และอำ น, นาจของศีลของธรรมลักษณะของศีงของธรรมเป็นลักษณะอย่างไรการไขควรการพินิตปีินานที่เราได้ยินได้ฟังไดาศึกษาเล่าเราเียนตามหลักศึลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามา <c oughs> แล้วไขควรว่าลักษณะของจิตใจแทๆ้ๆมันเป็นยังไง ลักษณะของศิลของธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติมันเป็นยังไงลักษณะของกิเลสตัณหาที่ว่าเป็นพิษเป็นภยัยมันเป็นยังไงถ้าเราไม่พุกตัวนาเรามันจะไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็อยู่ด้วยความหลงทั้งวันกลางคืนยืนโดนนั่งนอ น, นก็ไม่เป็นประโยชน์ เรงการปฏิบัติจะเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์ตามการตามเวลาที่พวกเรามีเราควรมาลูดมาแยกในสิ่งที่พวกเราต้องการมารู้ลักษณะในสิ่งพวกเราปฏิบัติคือสิงสมาธิปัญญา จึงว่าสีนคือความปกติ <c oughs> เราก็พยายามประคองจิตประคองใจของเราให้มีความปกติใจเย็นอกเจ็นใจอยู่สีนคือความเดือบรอยแล้วก็พยายามประคองจิตใจของเราให้ <c oughs> มีความเดียบรอยอยู่ให้มีความดีเป็นปกติทางจิตใจให้จิตใจของเราเห็นความดีเป็นที่ตั้งอยู่ ความดีความเรียบร้อยความปกติของจิตของใจมีอยู่ในจิตในใจให้รู้เข้าและเข้าใจว่าอันนี้แลศิลมาเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราแล้วเรามีจิตเรามีศิลมาเป็นเครื่องประดับแล้วในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อทําจิตใจของเรางามจิตใจที่จิตใจงามในขณะเดียวกันก็รู้เห็นได้ชัดว่า อำนาจของสิ้นมีในจิตใงใจอย่างนี้แล้วเป็นเครื่องจำระลานความโรคความกวดความหลงออกได้มันเคยเห็นกันอยู่รู้กันอยู่ฉะนั้นวิธีจิตที่พวกเรามาปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัติมีสินมีสมาธิ ยิ่งตรงสิ่งที่พวกเราจะทําความเข้าใจรู้ว่าทุกการทุกเวลาเราปฏิบัติเกิดผลทางดีได้ขนาดไหนเพียงไรเพราะเอาลักษณะความเป็นอยู่เป็นเครื่องวัด เมื่อเห็นจิตใจของเรามีสินเป็นพื้นฐานอยู่ภูกการทุกเวลาอริยบทที่เราทํความภาพความเพียรนั่งภาวนาก็ดีโดยจงกมก็ดีใจของเราเป็นพื้นฐานแล้วมีพื้นฐานแล้วแล้วใจของเรามีอนุภาพ ม, มีสมบัติเป็นสิ่งที่ควรภูมิใจแล้วเรารู้ได้เฉพาะตน สมาสันทิโกนั่นแหละอันดับต่อไปการประคองจิตใจให้เป็นสมาธิด้วยความบริกรรมด้วยกำหนดลมหายใจเขาออกตาจิตนิสัยของพวกเราเคยฝึกมาอย่างไรมันก็เป็นเราพวกความสงบได้เร็ว เพราะจิตใจเรามีศีลเป็นพื้นฐานเพราะจิตใจเรามีศีลเป็นหลักหรือเรียกว่าใจของเรามันได้หลักได้ฐานแล้วคือเอาศีนเป็นหลักเป็นฐานเมื่อเห็นฐานของจิตใจพื้นฐานของจิตใจที่สมบูรณ์ในลักษณะของศีลอย่างนี้ แล้วก็มีความภูมิใจว่าใจของเรามันพ้นจากทุกจากโทษทุกโทษมันไม่มีในขณะนั้นสมบัติความดีอื่นซึ่งที่จะเกิดจากความสงบเพี่กว่าสมาธิแล้วก็สร้างกำลังสร้างศทาประกอบความภาคโพนเพียงตามการตามเวลาไปได้โดยว่ามีการกระทบกระทน โดยไมนมีการบาดระแวงพอเห็นจิตเจของเราสมบูรณ์อยู่ในสินมีสิ่นตร ง, นงเครื่องประดับกำลังการทำความภาคควมเพียงเมื่อเกิดขึ้นมีขึ้นเลยทีนี้จะิกรรมภาวนาพุทโธหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อกทัดได้ตนเม็ดเต็มหน่วย เมือ่อเราประกอบควมเพียรอยู่กับการทำสมาธิเพื่อให้มันมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เรากําหนดบริกรรมพุโทโธก็ดีหรือว่ากําหนดลมหายใจก็ออกก็ดีเป็นการรวมจิตรวมการรวมงานของเราเข้ามาสู่จุดเดียวงานจุดเดียวตามอริยบท จะนั่งก็ดีเดินตรงกลมอยู่ก็ดีเป็นงานที่ควรจะเอาใจใส่ทำด้วยความหมั่นความขยันเอาความหมั่นความขยันมาเป็นเรื่องประกอบการกระทำเขาอีกมันก็เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นได้อีก นี่เหตุผลที่พวกเราควรฝึกควรปฏิบัติมันเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเราทำแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเหตุผลควรเป็นไปได้เพราะเหตุผลส่วนนี้มันเป็นข้อปฏิบัติในลักษณะของิีลของสมาธิหรือว่าเหตุผลอันนี้เป็นลักษณะของคำสอน คำสอนก็นคือข้อปฏิบัติคำสอนและข้อปฏิบัติส่วนนี้มีอยู่ทุกโอกาสการเวลาหรืาออากาลิโธรรมผู้ปฏิบัติก็คือตัวพวกเราใจที่ปฏิบัติก็คือใจของเราเราควรจะมีอยู่ทุกการทุกเวลาในกิยาการปฏิบัติมันก็สมเหตุสมผลกันจะไม่ให้เป็นไปเพื่อถึงสมาธิปัญญาได้อย่างไร จะไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกได้อย่างไรเพราะฉิเลตัญหาที่จะเลกจะละจะถอดจะถอนก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาเหมือนกันมีข้อปฏิบัติแม่เพื่อจะให้เข้าใจว่า <c oughs> การปฏิบัติของเราควรนึกถึงคุณภาพ หรือว่าสมบัติของพวกเราที่เกิดขึ้นมาแล้วพบนี้าตินี้ที่จะเห็นสมบัติส่วนนี้เป็นสิ่งที่จะความภูมิใจว่ารูปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้รูปสมบัติอย่างนี้วัชีสมบัติอย่างนี้มนุสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้นมาเพราะบุญทกุศลของเรา ได้สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ดีชาติพระพุทธเจ้าจึงสเสรรเสริญว่าสิตโสมสปฏิีลาโพเป็นผู้มีโลกมีลาภอย่างประเสริฐแล้วควรจะเอาสมบัติอันนี้สร้างสมบัติอันร่ำค่าคือสวรรค์สมบัตินผ่านสมบัติกันต่อไปด้วยข้อปฏิบัติเพราะคุณาภาพของจิตใจของเราก็ดีคุณาภาพของ สมบัติของเราก็ดีในขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้มันเป็นลักษณะที่ไม่น่าไว้ใจเพราะทางร่างกายมัน เ, นเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่ใช่ตัวใช่ส่วนตามธรรมชาติความเป็นจียงของชาติของกันก็อยู่แล้วแต่คุณภาพทางจิตใจที่สามารถจะเป็นไปได้ตามสิ่ข้อปฏิบัติมีสิ่งสมาธิ ปัญญาเป็นส่นจนสามารถยกให้พ้นจากอำ น, นาจของกิเลสอันหาเข้าสู่ร่างผลนิพพานไปได้ด้วยข้อตัดสินจินัันผานเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแจนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด